ยังไม่มากขนาดที่แปดองค์ก็เต็มที่แล้วปีนี้เป็นยี่สิบห้าองค์เราระมัดระวังเป็นกังวลก็หมู่กับเพื่อนทั้งๆติดตั้งใจมาชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการชำระกิเลสมันจะเป็นการฟื้นฟูกิเลสรือสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลสให้มันขึ้น ในวงหมู่คณะก็เป็นได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากมันเคยเห็นมานี่น่ะเห็นยีเรกเป็นภัยแล้วมันไปได้อย่างรวดเร็วนะภาวนาอันนี้มันไม่เห็นยีเรศเป็นภัยอ น, น, น, นี้บำนาญถึงไม่เก้าด้วยเห็นเหุนี้ยีเรศมันถึงก้าวออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าธรรมะเสมอไปปัจจุบันมาเราเคย ดับส้นดาน ล, ลงมาว่าอย่างนั้นก็ถูกด้วยดับสนดานที่เลยก็ถูกดูบินเถอนอนนอนแนว่วไข้ม า, าลเรีลูกไม่ขึ้นวันหนึ่งวั น, นวันนี้ไม่ไม่บินทำงานไม่กินดูนี่ไข้เมารีเอาหนักหนักเจ็ดวันเต็มเต็ผมยังไม่ลืมนะ ยังหนักตั้งแต่เช้าจนมาทั้งยันค่ำเป็นหลายขนเป็นอย่างนี้แต่จำได้ว่าถ้ายัางฉันอยู่แล้วไม่มันบินทบานะ่ามาะเอาเจ้าของรนะดับเจ้าของนะเพราะกำลังใจนั่นแหละสำคัญเห็นหมูเพื่อนกดแต่อืดอาดต้องดูไม่หนะ่อยมันเป็นเล็กๆ ก, กันน้อย มันก็จะตายมนะันไปไม่ได้ดังนั้นไปไม่ได้เป็นไข้หวัดไข่อะไรทนะั้งนั้นก็ไปไม่ได้ยินจะแบดไม่ได้ไม่เลยเราไม่เคยพูดนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาพูดวันนี้เหี่ยมันฝังใจมานานเพราะรับหมู่เพื่อนมาเป็นเวลานา น, านเราไม่เคยเพราะจิตมันดิ่งดิ่งนั้นมันไม่ได้อ่อนแอตามภาตขัน นูนลุกไม่ขึ้นอ่าลุกไม่ขึ้นจริงๆอไม่ไปวันนี้ไม่ฉันว่างมันเลยมีวันเดียวมันไปไม่ได้ไม่ฉันที่ไปได้ไม่ไปไม่ฉันมีมากอันนี้เป็นไข้เนี่ยที่ไม่ไปไม่ฉันไม่ฉันมีมีน้องผึ้งกันหมูคณะมากกาบเรียนพ่อแม่ครูจันอันนี้กับผมจะไม่เป็นจบาหแล้วถ้ารู้สึกไม่ค่อยสะดวก้างมันเลย อ้างไว่าอะ่รั น, น, นแล้วไม่ใช่มัาเด็กอยู่คณะก็แม่กุญจานทร์นะมาอยู่ที่นั่นผมไม่ได้เด็ก เ, เพราะว่าหมู่เพื่อนมากผมก็เป็นพระรามากเหมือนกั น, นดูแลพระรามเองไม่ได้เล่นของเล่นน ะ, ะแม่กุญอาจาร์เป็นผู้ปกครองหมู่เพื่อนแต่เราเพื่อความสะดวกสําหรับท่านเพราะฉะนั้นเราจงต้องเข้มวขงวดขัดขันกับพระกําเนิในวัดนั่นประหนึ่งว่าเป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละ อยู่รับเพื่อรับนะเถ้าใ น, นตรงไหนท่าอกิจาระการท่าทางไม่ดีนี่เรียกมาเลยไล่เบี้ยนเขาเลยบางทีก็ประชุมรับกันเงียบๆหมดทั้งวัดนั่นเล่นแต่พูดถึงอุปธรรมะถาท่านให้ไปโดยเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นก็เรียกประชุมถ้าเห็นอะไรๆไม่ดีไม่มาอย่านั้นแหละผมเพื่อให้ท่านได้อยู่สะดวกสบายเพราะเราต่างคนต่างมาเอง ทำไมเพื่อเชินนิมนต์มาแล้วให้ท่านหนักใจทำไมมาไม่เรื่องในลามาก่อเหตุก่อเรื่องกว่อราวขึ้นมาในวันมาทับถมโจมตีครูบาอาจารย์นี่ไม่ได้มา ส, งส่งเสริมนี่มันเถ็ดนะเขาได้ผ่านมานานสองกมของพระไม่ว่าทางปริยัติไม่ว่าทางปฏิบัติเราได้ผ่านมา พอๆอกันทางไปยาติกับเรียนต้องคืออยู่กี่ปีไม้ว่าวัดราชวัดหลวงเข้าทั้งนั้นมาคมหมดนอกจากเรียนแล้วก็ยังต้องในสมาคมสมาคมกับพระผู้ใหญ่ผู้น้อยวัดใหญ่วัดน้อยวัดไอมาคมไปหมดมันก็รู้เรื่องกันไปนหมดทางกรรมาฐานก็เกี่ยวข้องกันมาเรื่อยจนต้องอปฏิบัติตรงมาทั้งป่านนี้ทำไมจะไม่รู้เรื่องกรรมาฐาน อูกับหมู่กับคณะกะับครูบาอาจารย์ก็เคยอยู่หมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็เคยรู้ก็เห็นกันมาแล้วเราก็หนักใจไม่ใช่ น, น้อยแล้วก็ทนเอาแล้วดูการแม่ครูบาอาจารย์มาจะไปไหนกันรู้สิว่าอาการทองท่านแต่ท่านก็ไม่ห้ามจริงๆแต่อาการท่านเราทาบท่านไม่อยากให้เราไปท่านคงเห็นโทษอันหนึ่งนั่นแหละเวลาเราไปมันท่านเนรียนไปยังไงนี้ท่านต้องทราบอย่างแน่นอน เวลาเรามาท่าน เ, เป็นยังไงเราดูอาการท่านเราก็ทราบไปไม่กี่วันหึสมัสมาบมาธรรมะมาพูดมาคุยกันฟังหนาอย่างนั้นใส่ปัญหาหรือไปหาทศใต้จะถอยไปไหนนะ่ะน่ะท่านใส่ปัญหาพระองค์เจ๋งๆมันมีนะมันแอบแฝงชดช้อนทั้งทั้งที่ปนเทศต้างต้างอยู่ อันนี้ไม่มีในคำพีแต่ก็คำภีออกมาจากไหนก็ออกมาจากไม่ออกมาจากใจท้านอาจารย์มั่นเป็นพระประเภทใดที่จะไม่เชื่อไม่ไว้ใจท่านนี่เราลงตรงนี้ท่านพูดตรงตรงเลยผมไม่ทราบเป็นยังไงว่านี่พูดอย่างเด็ดนะนนี่ก็เป็นอาการที่สอนหมู่เพื่อนเหมือน รับช่วงมาจะชดในบาปมันเป็นยังไง่านวางมันขวางขึ้นมาทันทีว่านพูดอย่างเด็กเพราะถึงไม่ชดมันขวางอ่ะหวานกันวางฉันฉันได้มาปฉันเพื่อความเห็นภัยอะไรยังจะเอาท้อนเพื่อขวางเข้าไปอีกมันก็ขวางความเห็นใจอะไรสิว่านมันส่งเสริมวัตจักระสงค์แล้วสิหวาน สงเสริมตัวกิเลสถ้ามันมีรสเรรถอร่อยอะไรต่ออะไรผสมลงไปนั่นแล้วเพื่อจะเห็นโทษเห็นนั่นของเรื่องกิเลสมันช้อนประตัดชดเพื่อความเรรถอร่อยอืมันอะไรนี่คืาปฏิบัติเพื่ลิ้นนะที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อถามันพูดเด็ดเอ็ดเด็ดเราจําไม่ลืมเวาทัานพูดอย่างนั้นท่านก็ทราบว่าเราเคยถันช้อนที่ไหน ตันงแต่ได้ยินนันแล้วเราไม่เคยยินเพราะก็ได้ยินมันแตไปสักแรกอยู่แล้วเร <c oughs> าไปฟังจริงๆไมนได้ฟังเล่นๆ <c oughs> เราลงจริงๆลงท่านจันทร์มั่นไม่มีอะไรเหลือเลยลงอย่างเต็มที่เต็มฐานลงด้วยเหตุด้วยผลด้วยอดด้วยธรรมของท่านเอ ง, เองแต่เต็มไปด้วยเหตุผล ท, ทุกอย่างหาที่ค้านไม่ได้ หลงและลงลงจริงๆเราถ้าถ้าไม่ลงหักไม่ลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงต้องลงด้วยเหตุผลอย่างอื่นจะมาบังคับเราให้ลงนี้ลงไม่ได้สําหรับผมเองใครจะบวชน้าหน้าลัศนามาจากไหนมาบังคับเราให้ลงก็ก็เถอะสามโลกกระฐานี้เป็นไม่ลงถ้าเหตุผลอย่างเดียวเท่านั้นสมมติว่ามกตั้งไว้ขนาดเส้นผมแค่หนึ่งนี้ผมจะไม่ผ่านผมจะไม่ข้ามไม่รอด ไม่ฝืนยอมกันถีน่เราอยูใ่ในเหตุผลอันนั้นแล้เคารพ <c oughs> นีคนสอนหมู่เพื่อน ม, มากกว่าหลายปีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่คะาข้าวสับปนกันไปอมี น, นิสัยใจคอยาละเอี ย, ยดมันต่างกันคนเราส่วนมากเอานิสัยเดิมมาใช้นิสัยเคยเป็นยังไงยังไงมากจก น, นั้นแหละจะจะออกมาก่อนเหมือนกับวัวตัวอยู่ปากคลอก นิสัยนั้นมันเป็นหัวหัวอยู่ปากครอบพอเปิดประตูปั้มมันปั้มออกก่อนเนาะนี่พอมีเรื่องอะไรมาสัมผัสปั้มเหมือนก็เปิดประตูให้กิเลสประเภทฝังนิสัยนั้นออกทันทีทันทีแล้วมองไม่ทันนี่นอันหนึ่งผมนี่ตก ว, วิจารณมากที่เกี่ยวกับหมอนะนอกจากจะสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ชำละจิตใจจนมีความสงบผ่องใสไปโดยลําดับหนึ่งแล้วยังต้องได้ระวังเรื่องเกี่ยว กับการอยู่ด้วยกันโดยที่ต่างองค์ต่างมาต่างองค์ต่างอยู่ในที่ต่างๆและมนีจะหลิบนิสัยต่างๆกันมากลัวจะเอานิสัยเดิมซึ่งอันใช้ไม่ได้นั่นเข้ามาอวดในสนามรบกับกิเลสจะมาอวดฉลาดตัวเองขึ้นในที่ขึ้นในวงหมู่คณะ ซึ่งเป็นการอวดความโง่อยา่างไม่ลืมให้อภัยกันไม่ได้แล้วไม่ลืมเลยนี่ที่สําคัญอันนี้เป็นของที่หยาบมากยากได้แสดงเป็นอันขาดนะตั้งแต่มันมีอยู่มากน้ อ, สอยสิ่งอไรยังต้องใจค่าจะชาระมันในอยังอะไรยังจะเสริมมันให้มีกําลังวังชาขึ้นมากระทบกับเทบืท่อนหมู่เพื่ อ, อนี้เรียกว่าเลวที่สุด หากว่ามีเรื่องใดเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายผมเดินตรงๆบอกตรงๆอย่างนี้ผมไม่มีอำนาจวาสนามีความรู้ความสลหับที่จะไก่เกลี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นอกจากต้องออกไปเท่านั้นอยู่ไม่ได้สถานที่นี่ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมาให้กัดกันเท่านั้นนี่เลี้ยงพระพระเป็นผู้ประเภทใดจึงเรียกว่าพระนั่นเลี้ยงพระต่างหากไม่ใช่เลี้ยงหมาให้กัดกัน รานใครเครื่องมัดระหวังเรื่องอย่างนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโรนที่สุดในวงปฏิบัติผู้ที่จะฆ่าทิเลตแต่กลับมาแหลมเที่ยวแหลมฟันกลัดกันกลายเป็นเรื่องเรียนวิชาสุนักไป <c oughs> ดูหัวใจเจ้าของ มันก็เพื่อมออกมาตรงนั้นแหละก่อนเพื่อนได้เมื่อสัมผัสตาพอดีทางหูกอดีมีสําคัญสองอันนี้สําคัญมีสัมผัสเข้ามาแล้วอที่มันอยู่ปากคลอกมันก็โผล่ออกมาทันทีสติจะไม่ทันถ้ามีสติอยู่นั้นแล้วมันทันหนีสติไปไม่พ้น สิ่ง น, นี้เป็นสิ่งอย่างๆที่ออกมาแสดงต่อกันจึงไม่ควรให้มันแสดงได้เพราะปฏิมีอยู่นอกจากมาละเอียกว่านั้นที่แสดงอยู่โดยการทั้งตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างเป็นธรรมดาแต่ที่จะมาแสดงกับหมู่เพื่อนมาขายจ่ายตลาดต่องเพื่อนไอ้ของเรียกซามันนั้นน่ะมันทันนั้นนั่นแหละนอกจากจะเปิดข้อ หรือ ร, ร, รู้ว่าทิ้งออกหมดให้มันออก็อย่างสะดวกสบายของมันเท่านั้น <c oughs> ใครจะอวดฉลาดด้วยทิเลสไม่ใช่ผงดีนั่นแหละคือความอวดโง่ของตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้วไม่อวดฉลาดแต่นิ่มนอนไปหมดหน้าดูทำเป็นอย่างนั้นเหมือนมีดคมในฝัก เวลาต้องการจะใช้ถอดออกมาฟันลงไปแทงลงไปจะใช้ประโยชน์อะไรใช้ตามต้องการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บปับ๊บเข้าฝักเรียบร้อยไว้ในสถานที่อันดีมามที่ทเกิือกัดนันเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่เรามีเจตนาอย่างยิ่งต่อเพื่อนที่มาอยู่ด้วย ไม่อยากรับมากเท่าไรก็จําได้รับก็เพราะเห็นใจหมู่เพื่อนที่มาศึกษาโดยที่เราคํานึงถึงเรื่องของเราก่อนอื่นเราเคยเป็นผู้น้อยทีิ่งหาครูบาอาจารย์องคไหนที่ควรจะเป็นที่ผึ่งเกลียดใสเป็นที่ไว้วางใจได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขเนี้ยแน่นอนในการที่บอกแนวทางทั้งภายในภายนอกได้รายละเอียดตัวถึงเราพอใจเราหิวกรหายอยากพบอยากอยู่กับครูบาอาจารย์องนั้น ยกตัวอย่างเช่นไปหาพ่อแม่รู่ยันมั่นใจหนิ้วก็หายอยากไปอยากพบอยากเห็นอยากอยู่กับท่านกลัวท่านจะไม่รับก็ยิ่งกว่ายิ่งกว่ากลัวอะไรก็อีกในเบื้องต้นที่จะทำให้จิตใจมันขึ้นอย่างคึกคักค ก, ก่อนเราได้ยินจากพระหนึ่งจำชื่อไม่ลืมจนกระทั่งตอนนี้ชื่อพระศรีนวนพระองค์นั้น มาจากบ้านนามงมปีพศ85มาพักอยู่วัดตุ่งสว่างหนองคายพอดีเราก็บไปพักอยู่ที่นั่นกับท่านอาจารย์กูเท่าออนั้นกลองมาบอกว่ามาจากสกลนครมาจากอำนัจท่านอาจารย์มั่นเราก็ก็ยิ่งกระหายอยู่แล้วเรื่องของของวัดเรื่องของท่านอาจารย์มั่นเราก็ต้องถามทันทีว่าเป็นไง มีพระเนรอยู่กับท่านมากไหมโอ้ท่านได้รับพระเนนมากอะหลังมากไม่เลยที่เอ็ดทีสองค์นี่นับวัฒน์นับมากนละยนี่ก็มีที่เอ็ดองค์ลั้นท่านเด็ดเดี่ยวมากใครผิดอะไรอะไรไม่ได้เขาไล่ในี้จากวัดเลยเพียงเท่านี้แหละเราขึ้นถึงใจเลยนี่แหละอาจารย์ของเรานะักแทนที่มันจะกลัวนะ เราต้องการอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งทําไมจะต้องทําตัวให้ท่านถึงข น, นาดท่านไล่นี้จากวัดเราตัง้งใจตาท่านเพื่อเพื่อทำเราต้องการครูบาอาจารย์เดเกๆอย่างนี้แหละเหมาะแล้วกับเราที่เป็นคนอยากท่าล้ามว่าอย่างนี้จะมันยิ่งกระยิมอาจาย์ากจะไปในเดี๋ยวนั้นเละแต่เขายังไปไม่ได้เพราะตอนนั้นกําลังป่วยเอวดีเจบเอวมาก ควบยายุ่งเป็กเนิดก็อย่างนั้นจริงๆเราก็ถึงใจทันทีมงต้องอยังนี้ว่างั้นเี่ความกระหายอยากจะอยู่กับท่านจะได้อยู่หรือไม่นาะท่านจะรับเราหรือไม่ที่ท่านที่อยู่จะพอมีหรือไม่นี่้โอ้เป็นกังวลมากทีเดียวเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจไว้ก่อนครับกลัวจะไม่ได้อยู่ ไปก็พระเอิญอย่างเมื่อวานนี้พระธเนศนี่แหละออกไปอย่างเมื่อวานวันนี้เราเข้าพอดีกุฏิทางนั้นว่างเลยให้เราอยู่หลังนั้นเดี๋ยวเหมาะสมน้วเป็นหนีสนามมาก็ธเนศคุณไปบ้านน้ำมงนมือวาตอนนั้นท่านอยู่บ้านโครสร้างวันใหม่ <c oughs> อดูกระถางดูข้อวัดปฏบิบัติอะไรอะไรหาที่ต้องติไม่ได้พูดอะไรออกมานี่ เห็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมเด็ดเดียวอาดฐานพูดไม่มีสะทกสะทานหนึ่งคิดเป็นอกเกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าความถูกต้องดีงามอันเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องนำหนึ่เรายอมรับทันทีทันทียงลงใจพอท่านรับเท่านั้นเราดีใจจนบอกอะไรพูดอะไรไม่ถูกหนความดีใจว่าเมตตารับประไวเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เอง เียวก็ลุงหัวใจของเรานํามาเทียบกับหัวใจหมู่เพื่อนที่ต่อแถงหาครูหาอาจารย์แล้วจึงได้รับหมู่เพื่อนถึงจะมากนั้นเลยกับกําลังว่าสายวาสนาของเราแล้วเราก็ยังยอมรับยังฝื น, น, นเอาพูดยังงวอันนักก็ยังต้องพยายามแบบแบบภาระในการดูแลรุงรงสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็ยอมรับเพราะงั้นจึให้เห็นใจ ที่เรามีเจตนาต่อหมู่เพื่อนมากขนาดไหนเราไม่เคยห่วงใยกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยในฝ่ายคณะวะยิ่งกว่าพระถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับเรามากน้อยเพียงไรเราไม่เห็นเป็นกังวลอะไรกับใครเลยจะม า, มากน้อยก็ควรจะต้องรับกันขนาดไหนก็ต้องรับไปตามความเหมาะสมของพระกับคารวะเท่านั้นเราไม่มีความปักใจไม่มีความมุ่งมั่น เหมือนกับการปัดใ จ, จกับพระด้วยความมุ่งมั่นต่อการอุรมสั่งสอนที่จะให้พระทั้งหลายซึ่งอยู่ในวัดของเราที่เป็นพระของเรานี้ดีมีกําลังทางด้านจิตใจขึ้นไปเป็น้ําหนักเรามีความมุ่งมั่นมากกำหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องใดไม่ดีเป็นการกขร้อกระเสื่อหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นจะเป็นการทําลายจิตใจของเราในจุดนี้อย่างมากมายเดียวเหมือนกับว่าผิดหวัง อย่างน้อยก็ให้มีความสงบในวงคณะมากกว่านั้นขอให้ได้หลักจิตใจไปปฏิบัติตลอดถึงข้อวัดต่างๆปฏิบตัติต่างๆนำไปชาร์จปฏิบัติตัวเองเพราะเราสอนเราเรียนตร ง, งเราไม่ได้คุยได้อวดเราแนะนําสั่งสอนมูเพื่อนเราสั่งสอนด้วยความแน่ใจจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตตภาวนาซึ่งเป็นสิ่ง เป็นธรรมที่เราได้เคยผ่านมาเต็มพัติกําลังของเราแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าสมาธิหรือสมาธิประเภทใดเราเคยได้ปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วเราไม่คุยเราพูดตามความจริงที่เป็นความหนักแน่นที่เป็นความท่านนะชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของเราทั้งด้านนี้คือการปฏิบัติมาและผลที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรามากน้อยในหลักของสมาธิขั้นนั้นๆ ตลอดถึงปัญญาเป็นลําดับลาดาไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของปัญญาจนกระทั่งถึงปัญญาอันฝุดกําลังความสามารถของเราตลอดถึงผลที่ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างไรจากสมาธิเป็นขั้นขั้นจากปัญญาเป็น ต, ตอนตอขึ้นไปจนกระทั่งถึงวาระฝุดความสามารถของเราเราก็ได้แสดงทั้งเหตุแห่งสมาธิปัญญาเหล่านี้และผล ที่ตนเคยได้รับมากน้อยอย่างไรต่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นไม่เคยปิดบงังรีลาเราไม่สงสัยในวิธีการสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอุบายวิธีที่เรานำมาสอนนี้เราสอนด้วยความแน่ใจจริงจง <c oughs> สิ่งใดที่ส่วนใดที่ว่าอยาให้อยา เป็นอย่างาพลาที่ไปเราก็ยังไม่แน่ใจเรา ม, ามีความรู้สึกหรือไม่แย่เนี่ยที่เธอพูดถึงเรื่องภาวนาบ้นงนะแต่ถามเราเราก็อธิบายให้ฟังยอ่อยๆจิตมันพุ่งๆเป็นปยังไงมาไปอย่างที่เราฟังมานั้นนะ่ะเราบอกให้ย้อนกลับมานะอย่าออกเป็นขาดนะนี่ละว่าถ้าเข้ามาสุดิถึงความรู้อาการอนั้นทั้งหลายจะหายไปทีนี้ผมเคยเป็นแล้วนี่ และวันหลังมานี้มันยังมาเทศถึงเรื่องจิตที่มันพุ่งพุ่งขึ้นไปเป็นความสว่างพุ่งขึ้นนุ่นตดเม่ฆจิตมันเกิดความติดเกิดความคัวพันชอบใจเป็นลักษณะอ้อยอีกคล้อยตามคล้อยตา่ยตางเราหนไอหนิงท่าไม่ดีพอถอยจิตย้อนลงมานั่นก็ย้อนอมาจนกรงทั่งเข้าสู่ความสงบตามปกติเพราะจิตถอยตัวเข้ามาสู่จุดผู้รู้ เมาสู่ตัวเองอาการตั้งหลายเรนั้นก็เข้ามาด้วยหมดปัญหาไปในเีลานั้นและทําให้ทราบเรื่องทันทีแล้นอกจากนั้นยังทําให้เราเข้าใจได้หลายด้านหลายทางเกี่ยวกับเรื่องสมาธิจ <fight. S 1> ึงได้สอนค้าอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าอาจจะมีเงื่อนอะไรอยู่ว่างทางนี้ถึงไม่ไปวัน น, вот น, ออ น, นนั้นนี่หละเงื่อนเหล่านี้และที่ภาวนามีสาเหตุเพียงจะคิดถึงมเเแม่เฉยๆเพียงป่วยเฉย ไม่น่าจะเป็นไปได้พระมีอายุันขนาดนี้แล้วเป็นพระเป็นผู้ใหญ่แล้วคิดถึงแม่ผมกินมองมอ ง, มองดูตาในวันนั้นผมก็เห็นไม่ชัดตาแหลมคมมากถ้าเป็นสุนัขสุนัขบา้าคือสุนัขบ้านั้นมันตาแหลมคมนะอืมคนที่เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันตาแหลมคมผมดูวันนั้นเออนี่ข่าวสีข่าวชาติมันนั่งกับผมมันนั่นเหมือนกันมายกคำพี์ สู้ผมยกมังพีมาสู้ผมโอข บ, บขันจะตายเพราะเะไรอุอ่นวะเราอยู่วันนี้ใจทางมันก็ยอออ่อมการเจ็บไข้หรือป่วยที่ไหนมันก็มีแล้วที่ไหนที่จะมีความสะดวกสบายยิ่งกว่าวัดตับมันตารถนาอะไรอะไรก็มีหมอเขมีแต่ลูกศิษย์ดูหาไปที่ไหนก็ได้ทางนั้นที่ไหนจะสะดวกยิ่งกว่าวัดตับมันตัดนี่ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องโรคภายไร่เจ็บตรงตรงไหนก็ไปได้นี่อืมรถก็ไม่ยากและหมอก็ไม่ยาก ถ้าว่าเป็นภาวะแบบวัฏฏะแล้วถ้าโดดสบายไปหมดทำไมเราต้องยุ่งไปถึงบ้านถึงเมือเกีขาวมาพูดอย่างดื้อๆเข้าแก่ไปแล้วก็ในพรรษาจะไปอาะไรซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยพอที่จะต้องไปะยกคมพี์ว่านายินายยังมีอยู่นี่เกี่ยวกับว่าโอ้พอยกปั๊บนะผมเข้าใจทีเ<อ>พราะผมดูตาอยู่แล้วนี่คอจะเห็นทีละแสดงออกมาประกอบกับเรื่องสายตานั้น แยกออกมามันก็เข้าออกันได้ทันทีผมก็เลยหยุดไมพูดอะไรต่อไปอมไม่ได้เรื่องแล้วเพราะงั้นเมื่อจะลงไปทีิ่งกลิกอาชีพพระระวังนะพระองค์นี้เริ่มเป็นบ้าแลวนะเราว่าแล้วก็ไม่นานก็เตรียมบริหารสภาบาทออกมาแล้วก็ไปเจอผมพ่นาผมก็ว่าอีกว่าขนาตาเฉยอยู่มองดูผมไม่กระพริบตาเลยท่านหาได้รู้ไหมว่าผมดู ยีอยังอาการของท่านเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็เลยผ่านเข้าไปหาร้านทัพบินก็ท่านน่นนี่ก็ไปตามผมมาเฮ้ยผมพูดหมดแล้วนะเราจะพูดกันอะไรก็พูดกันเถอะผมว่าอีกแล้วก็ไม่ทราบใจจะไปนู่นไปเรื่องไปแล้วก็เดินผ่านนู่นไปจริงๆผมคิดว่ามันมีนมส่วนอยู่ตรงนั้นตรงสี่ับมัาบาน การนักหมู่เพื่อนไม่เราสอนจริงๆเรารับเป็นภาระของเราจริงจรสมกับโอปากังปฏิรูปังปาชาลิเกเนซัําไปจริจริงเราไม่สับแต่ว่าเราจริงตามหลักทำหลักวินัยทุกอย่างไม่ว่าจะโดยลําพังตัวเองไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่คณะเราไม่เคยละแหละการสอนหมู่เพื่อนสอนเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อธรรมเพื่อให้เป็นหลักใจจริงๆ ขอให้มีใจมั่นคงต่อหลักทำหลักวินัยเถอะอย่าไปมั่นคงต่อพิเลศซึ่งเป็นสิ่งทาลายตัวเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยงงอันนั้นเป็นความเสียหายมาาอย่าริอย่าวุตตรินำมาจากตลาดนะ <c oughs> นวิธีการปฏิบัติเพื่อสมาธิก็เคยได้พูดแล้วเรนรู้กี่ครั้งกี่หน ไม่ดไม่เคยเว้นหรื่องอุบายความสงบของจิตนี่ก็เคยได้พูดอยู่แล้วทำไงจิตถึงจะสงบมันสงบ้วยํำบริกรรมไม่ได้ก็มันท่องเที่ยวในสกุลอาการท่องเที่ยวประตรงไหนให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปด้วยเจตนาถ้าเจตนา ม, มีมีไปโดยลำดับก็ สติก็มีไปตามนั้นสตินั่นแหละเป็นตัวเจตนานา่งสำคัญมากเป็นตัวเสริมเจตนานความรับรู้อยู่น่นจิตพิจารณาไปที่ตรงไหนตรงไหนควรจะค้นคว้าอาการต่างๆภายในร่างกายเพื่อความสงบจิต ด, ด้วยการด้วย ป, ปัญญาก็ได้ถ้าบังคับด้วยสมถะคือการอบรมโดยด้วยคำบริกรัม มันไม่สงบก็ต้องหาอุบาสิกาเปลเี่ยนแปลงด้วยปัญญาจนมันสงบได้เนี่ยบายวิธีก็อย่างนั้นถ้านั่งมากมันไม่นั่งเดินฟามันทั้งวันก็เดินพเดินเป็นไรนี่เราพยายามให้หมู่เพื่อนรับความสะดวกสบายเพื่อจะบําเพ็ญภาวนาจิงเหล่านี้เราเทียบในหัวใจเราแล้วนอกจากเทียบตามหลักทำหลักวินัยแล้วยังเทียบในหัวใจเราอีก เราทำจริงๆภาวนาตั้งแต่เริ่มภาวนามาเราไม่เคยมีการก่อสร้างอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวไม่เกาะเลยนี่จะสร้างหัวใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการก่อการสร้างนี้เราจริงถือว่าเป็นข้าศึกต่อคิดตภาวนาเป็นอย่างยิ่งสําหรับโลกเขามันเป็นมงคลแต่สำหรับพระนั้นนะ่ะมันเป็นอภรมงคลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระผู้ปฏิบัติเราจริงต้องระมัดระวังเสมอ ทำงานนั่นทำงานนี้ทำมากๆก็ไปจิตมันฟุ้งซ่า น, นอกาข้างนอกบางคั้อยู่ภายในการทำก็มีเป็นธรรมดาแต่อยู่ในความนะมัดะวังแต่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลอัดทำไม่เลยขอบเขตจนเขาเรียกรำปลาลนมเปิมไปนั้นงานอะไรก็ไม่มากเกี่ยว ใครจะมานิมนต์พระนิบัตรนี้ไปฉันที่ไหนไหนผมรักษาไว้หมดนะให้ผมทํายังไงอีกเพื่อความสะดวกในการภาวนาของหมู่เพื่อนผมได้ทําเต็มตามความสามารถอู่แล้วทําไมจิตใจมังสงบไม่ได้นั้นไม่จริงไม่จังหรืมเป็นยังไงถ้าไม่จริงมันเท่าไหร่นก็ไม่ได้เรื่องที่อย่างนั้นต้องเข้มแข็งใช่ เคยพูดเรื่องปฏิปทานเคยให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อให้เป็นคติไม่ได้พูดเพื่ออวดมันไม่มีความรู้สึกนะเรื่องอวดอวดเอียดอวดไปหาอะไรมันไอ้ของจริงมันอวดฟังซิเอาของจริงมาพูดทำเป็นของจริงเราได้เคยพูดแล้วแล้วพูดอยู่เรื่อยหวังงานได้วก็ตามที่เราเคยผ่านมาในชีวิตของเรานี้ตั้งแต่เป็นคารวาสมาจนกระทั่งถึงบวช ขนาดห น, หนาขนาดไหนเราไม่เคยเห็นมันหนักไม่เห็นงานอันนั้นหนักห น, า, ห น, กหนายิ่งกว่างานที่ตัดพออนานเลยแม้เรียนหนังสือจนกระทั่งหวมสมองมันทือหมดด้วยอํานาจแห่งการบังคับหรือความอยากได้มันบังคับให้เรียนเรียนจนไม่หลับไม่นอนตลอดรุ่งตลอดรุ่งก็เคยเรียนความจดจําในสมองนี่เลยไม่มีเลอะเทอะไปหมดบังคับให้จดจําเลยจดจําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็มี เพราะอำ น, นาจขิงจิตบังคับมันก็ได้รับไปนอนให้พักผ่อนนี่เราก็ว่ายากเพราะความจดจำแต่ยังไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของภาวนาเวลามภ า, ภาวนานี่โหเอากินเอาจังบังคับจิตนี่สิเป็นสำคัญมันคิดไปในแง่ใดแง่ใดมีก็เคยพูดให้หมูเพื่อนฟังบ้างแล้วเวลาจะมาเข้าได้เขาเขียนคือการภาวนาน เรามาเริ่มภาวนาเอาจริงเอาจริงเอามากเอาผลจริงๆเนี่ยจิตมันประวัติประวัติแยบแยบจนเรียปหาตามเรื่องราคาตันหาจนกระถองก็เอกใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเรียนหนังสืออยู่ก็เฉยเฉยไม่เห็นมีเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงอืบุญลาจะมาภาวนาเอาจริงเอาจริงแล้วมันทำไมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอะไรนี่มีเงี้ยเงยกันเนยขางในแต่ไม่ถึงกับแสดงออกมาทางอวัยวะหรืออะไรมันถึงมีให้ดู้แยบแยบผีพันในจิต เอ๊มันยังไงมันยังไงตัวนง้่ะยิ่งนี้ขยับเข้าไปเรื่อยสติปัญญายิ่งขยับเข้าไปเรื่อยความจริงก็คือมันมีสติเออเเราสืกผลเข้าไปจริงๆเนาะสติมันทันกันมันแยบอะไรมันก็รู้มันรู้เราไม่เข้าใจตอนนั้นเวลามันถามไปแล้วเราถึงรู้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีสติมันนั้นนั่นนี่มันเข้าใจจนมาะทา่งจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็หายทั้งหมดไป ก่อนที่จะนหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนกับหลังหมีจะว่าไงเจ็บมันเหมือนหลังหมีหลังหมีเป็นยไงมันดํามันขาวไม่เราเราไม่ได้พูดหมีขาวนะเราพูดหมีดำต่างหาดําไปหมดมันจะได้เรื่องไดราวเลยไปคุกข้าส่ออะไรมาอ่านก็ไม่อยู่เพราะมันดาอยู่แล้วอันนี้พอเวลาออกมาปฏิบัติเราชำนาญสัตว์สังคมัดรระวังตัวเองเรื่องเสียงเป็นอิทธิสัตโดเป็นต้นะมันจะเย็ด อ้าเพื่อนอิดได้รวดเร็วมันทาให้เราเอกใจเอกใจอยู่เรื่อยเอ๊ะทำไมชอบคนทาไมชอบคนพอจิตก้าเข้าสู่ความสงบได้เรื่องเหล่านี้ก็หมดปัญหาไปหมดปัญหาไปนี่มันก็ไม่ใช่เล่นเรื่องที่จะทําให้จิตสงบนี่ก็ดีบังคับบัญชาจิตใจอยู่งั้นยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีประการหนึ่งก็คือหลักนิสยัยที่สําคัญ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 ยากระช่างมันเป็นลาอเรารู้อยู่แล้วว่า ง, งานนี้เป็นงานที่จะถอดถอนกิเลสซึ่งตัวเหนียวแน่นที่สุดไม่มีอะไรเกินหน้ากิเลสไปได้ประเภทใดก็าตามเหนียวแน่นทั้งนั้นถ้าตายยากถอนคือยาก็คือถอนกิเลสไม่ว่าจะเป็นประเภทใดมันเป็นเหมือนกันหมดเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องได้ใช้ความเพียรอยงเหนียวเหนียวแนว่แนแก่นทำเหมือนกันไม่งั้นมันไม่ถึงกัน ก็ให้กินให้จังแล้วมันก็ถึงมันก็ทันกันอีกก็หมอบถ้บากินหมอก็อคือกิเลสนั่นแหละหมอไม่ใช่จิตหมอบเราพูดติดปากเราว่าจิตหมอบคือจิตได้นคืความสงบเนื่องจากกิเลสมันหมอบลงไปมันได้พาจิตขึ้เขิมคึกขนองเราได้รับความสบายสมายเป็นตัวนี้ยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งถึงได้หลักได้เจนฑ์ยง คามสบายแน่ใจว่าไม่เสื่อมนอนมันถึงชาติลงไปที่นี้เออต้องอย่างไหมสิน่ะมันทำไมจะไม่รู้สันติติโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงปลูกขาดสําหรับผู้ปฏิบัติที่ควรจะรู้จะเห็นได้ในธรรมแง่ใดมันต้องรู้ต้องเห็นขึ้นมาด้วยตัวเองที่เรียกว่าสันติติโกจะรู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองนะ <c oughs> เลยจากนั้นตะกั่เบริบลมอยู่ที่นั่นสิสันติติโกนี่ พูดเป็นทำกลางๆได้ทั้งทำขั้นต่ำขั้นสูงในตัวบริวญยูหินนี่มักจะพูดทำขั้นสูงเกินไปทำขั้นต่ำมันไม่อาจเลี่ยเพราะวิญยูหินท่านผู้รู้ทั้งหลายอนั่นผู้รู้นี่เป็นภูมิสูงรู้จําพาะตนเป็นว่าในหลวงเมื่อเราทราบื่ากิเลสเป็นของเหนียวแน่น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 หาความสงบไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้เป็นกรรมฐานนี่นะมันเป็นกรรมถอนวางมันอืมันพ้อมันถอยมันถอนตัวออกจากความภาคความเพียรถอนตัวออกจากอับจากธรรมจากทิ้งจากสมาธิจากปัญญานีนขณะที่มันถอนตัวออกนั้นมันก็เข้าไปฝ่ายที่เลสเสี ย, เ, ยเป็นบริษัทปีวันี่เลสกเิเลสเหยียบย่าทําลายแหลกไปเสียแน่วัง พิษมันหลายสับหลายสันหลายคมสิสติปัญญามีอยู่พิษไปไหนก็ได้เป็นธรรมหมดถ้าเป็นฝ่ายแก้ที่เหล็กแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นขาให้กินให้จังจิสงบแล้วสบายเพียงขั้นสมาธิขั้นสงบเท่านี้ก็สบายไม่กงังวลวุ่นวายกับกลิกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆ ยิ่งแล้วในใช้ปัญญาพิณิพิจนาสิ่งเหล่านี้อีกด้วยแล้วมันก็ยิ่งปล่อยวางเข้ามาด้วยความเห็นโทษนั่นคือแบบต่อยวางเข้ามาด้วยปัญญาแล้เห็นชัดเจอนึงไปก็ตัดกันขาดไปเป็นตอนตอนตอนตอนไปโดยลำหนักลำหนักตัดกิเหล็กก็ตัดที่ตรงนี้รูปมันก็มาจากกิจนี่แหละตาเป็นประสาทอันหนึ่งที่รลให้รู้รูปเห็นรูปหูเป็นรัสดุอันหนึ่ง เป็นทางเดินของจิตแล้วก็เข้ามาสู่จิตดีชั่วรักชังเดียดโกรธอะไรก็เข้ามาที่นี่ปัญญาก็ค้นคิดขึ้นมาวินิจฉัยสิ่งที่น่าเกลียดน่าโกรธน่ารักน่าชังให้เห็นตามความจริงของมันด้วยปัญญาแล้วมันก็ถอนวางตัวหรือวางตัวตัวออกมาเองต่อยตุต่อยเข้ามาต่อเข้ามาทำยัให้พิจารณาปฏิภาค้างหนออกปฏิภาคทางในรูปหนอกรูปใน ว่าข้างนอกทงในเป็นมากทั้งนั้นนะถ้าพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความนู้แจ้งถึงจริงเพื่อความจบเครื่องเป็นมากทั้งหมดถ้าพิจารณาเพื่อวความสังสมที่เลอิศรักน่าชอบใจเกิดนักสงวนร่างกายของเรานี่มันก็เป็นสมุทัยแล้วพิจารณาอะไรมันอืมันเป็เรื่องความสวยความงามเต็มตัวเต็มหัวใจข้างในก็เป็นสมุ ท, ทยัยพี่งราเพื่อ ลงอันนี้จำทุกครั้งอนุตาดูพาดูพังปฏิกูลโศกโปกแล้วไม่ว่าข้างนอกข้างในมันเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายขาความกำลัดความยินดีทั้งหลายเข้ามาสู่ความสงบร่มเย็นอันไม่มีสิ่งอะไรรบ ก, กวนนั่นแหละเองเป็นมะใช้เสมอปัญญาถึงการจะช้ยาไปเลือกการเลือกเวลาว่าให้ั้งสมาธิเดือนนั้นคันนี้ก่อนถึงใช้ปัญญาอย่งนี้เป็นความคาดหมายไม่ถูก เวลาใดที่ควรจะใช้ปัญญาใช้ปัญญากเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสสมาธิเป็นเครื่องผูกมัดกิเลสเข้ามาให้อยู่ความเป็นความสงบปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนประการหนึ่งเป็นเครื่องให้กิเลสสงบตัวประการหนึ่งนั้นเป็นความชอบธรรมด้วยกันทางนั้นขอให้มันเหมาะกับการเวลาหรือโอกาสเมื่อไรที่เหมาะสมเถอะใช้กั็ได้ทางนั้นแต่สําคัญปัญญานี่ เป็นสิ่งที่เราจะใช้ติดแนบไปกับการบําเพ็ญทุกด้านไม่งั้นไม่รอบตัวสติปัญญาเป็นสําคัญไม่ห่วงเรื่องราวอะไรทั้งหมดยิ่งกว่าหลักธรรมหรืองานเืในตนที่กำลังทำในโลกปัจจุบันจะเป็มในนั้นจะอยู่ในตรงนั้นความรู้ทั้งหมดจะอยู่ตรงนั้น ไม่เป็นห่วงอดีตนะครับก็อารมณ์ใดๆขึ้นจะมาเป็นกิ่งทำลายที่ลบล้างงานที่มำลังทำอยู่ให้เสียไป <c oughs> ที่เป็นปัจจุบนะันปัจจุบันนัปัจจุบันนักทำทําอะไรออมันก็็มไม่เต็มหน่อยไม่ห่วงไม่ใหญ่อะไรไม่ขนาดที่นั้นไม่ได้ถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นมีแต่อันเดียวนี่กนั้นมีแต่อันเดียวนี่อันเดียวนี้ ทำอะไรเป็นอันนั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไม่เยีนอื่ที่เขามาลุ่งเหยืออมุ่นหาที่ทําคิดไม่แท้ความคิดที่มาคอยทำลายไม่แท้มาทําลายมีแต่งานอันนั้นดูเป็นเม็ดเป็นหน่วยเต็มเม็ดมันทําให้คิดเองหนึ่งหนึหนึมันเป็นเรหัวใจถิดงานเรื่องอดีตอนาคตไม่มีความหมายอะไรเรอดีตทําม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอดีตไม่ใช่หัวใจคิดไปเรื่องอนาคต มันหัวใจชงหัวใจเป็นตัววุ่นวายภายเป็นตัววุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วมันจะไปอะไรกรับอันอนาคต์ทาไม่ให้ไปด้วยเหตุผลอดีตก็ไปได้ด้วยเหตุผลแต่อนาคตก็ไปได้ด้วยเหตุผลเมื่อเหตุผลมาลงในปัจจุบันมันก็เหมือนไม่มีอดีตครอนาคตมันก็ลงปัจจุบันหมดะไม่มีแรมาดึงมาหน่วงมาเหนียวโลกทั้งหลายถามโลกวัฏจักรตามเกิดมันไม่มีอำนาจมันเหมือนไม่มีมีแต่ความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่แค่นั้น เต็มเม็ดเต็มหนือนตัวเองไม่ลดมีการมีสถานที่แล้วเวลาแล้วมายุ่งมากวนมาทําลายนทําอะไรก็ทำตามเต็มเม็ดเต็มหนือนในหลักปัจจุบนันปัจจุบันเห็นกันในเจ้าของมันทั้งพูดเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มปากมันไม่เห็นแล้วก็ลำมากดู ค, าคาําคําำไป มันไม่รู้ด้เห็นมันไม่สงสัยหรือสงสัยอะไรกือเต็มอหัวใจันแล้วหัวใจไม่สงสัยอะไรสงสัยในโลกมีใจดวงเดียวเท่านั้นมีที่เดีชเป็นเจ้าเล่ยเจ้าเหลี่ยมแลไล่มันออกหมดไปที่เรามาเป็นเจ้าเล่ยเจ้าเหลี่ยมมันจะทํำไปล้วนแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดได้ที่เหลืเป็นเครื่องดึงดูดดูดตัปนู้นดูดตันนี้ ผลักมันต้องักแบบนี้ถ้านั้นไม่มีแล้วเราจะผักถ้าเราจะมาดึงดูแต่พูดถึงว่าดึงดูดเหมืนความที่มันขักนะผลักให้ตรงแล้วนั้นผักผลักให้ตรงเรื่องนี้จิดจึงอยู่กับเรื่องตลอดเวลาเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้เรืงนี้ต่อเรื่องนั้นมแต่เรื่องขันหลอกเรืองนี้เป็นมโนภาพเรื่องราวนั่นเรื่องราวนี้คนนั่นคนนี้บ้าน น, น, นั้นเมืองนี้ อดีที่ผ่านมาแล้วเป็นเรื่องของตัวที่เคยเห็นอะไมันก็เป็ลากออกมาตรงมาปรุงใหม่ในตัวเองเรื่องนั้นธรรมมันหายไปไหนมันปุ้มขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นลางเหมือนอสดร้อนๆ น, ะนั่นนะเหมือนจะเห็นสดร้อนๆมันก็เป็นเรื่องที่ิตนั้นนี่เรียนนิพพานจิให้มันรู้กันอย่างนั้นเลยพถึงขั้นมันก็รู้มันก็รู้ขั้นถึงขั้นปฏิปัญญาตโนมานแล้วสิ่งเหล่านี้รู้กันแล้ะ ไตมีกานขี่อะไนี้ลอกก็ขีดอะไรนี่แล้วไปตล่วงไปก็ล่วงไหาหลักหาล่างใหญ่แล้ออกมาจากไหนออกมาจากจิตจิตนี่เป็นจิตอะไรเป็นจิตอวิชาเนี่ยลงไปตรงนั้นลงไปตรงนั้นไล่ไปแล้วก็ลงไปตรงนั้นไล่ไปแล้วก็ลงไปตรงนั้นหลายค ร, ยรั้งเราเห็นวเพียงแคยกกันกระทันแยกกันกระทันเพราะตัวนหนึ่งตัวตามตอดตามไตตามพาดตามฟันอย่างไม่ลดไม่ละเป็นไปด้วยกำลัง ควมุมันอย่างจริงอย่างจังนก็เป็นประเด็นเล็กๆแล้วข้าการทำไปมันก็ถึงกันถึงกันแล้วมันทําลายกันได้พอทำลายโครงมัตถจากเสร็จไปแล้วมันเหมือนก็โรงงานอืระเบิดนิวเคลียร์นั้นได้ถูกทําลายหมดแล้วโรงงานยาพิษโรงงานพิษ คิดยาคิดขึ้นมาไม่ถูกทำลายแล้วมันก็ว่างหมดเลยจริงถึงสํงาคัญจะคิดขึ้นมาก็จะยับยับหาหลักหาเกณฑ์หาต้นหาเตาไม่มีพราะมัไม่มีต้นต่อต้นต่อของสังฐารบะแท้ที่จะให้เป็นเรื่องของกิเลสมันคืออวิชชาคือตัวกิเลสอันเป็นพื้นเพลเดิมมันแหละออมาให้คิดนั่นคือสังารนั่นสําคัญอยู่พอทำลายนั้นแล้ว เอเหลือแต่ขีนล้วนๆทำล้วนๆแล้วถึงทั้งขาเนีปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาไม่ผักตักแต่ว่าปรุงแล้วเกิดกดับเกิดดับอยู่ตามนิสัยของมันอันนี้มันเป็นอยูตามธรรมชาติเราให้รู้ว่ามันเป็นตามธรรมชาติไม่มีอะไรเราบังคับมันให้เป็นแต่นี่กิเลสก็คิดกิเลส บ, บังคับมันอยู่ทุกระยะให้ปรุงให้แต่ใสําคัญมั่งหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา น, ะ, นะทําลายรังเห็นยาด คิตออกหมดแล้วว่างทั้งว่างว่างนี่ในใจอะไเนี่ยว่างที่ไหนว่างจากจุดที่มันเคยผิดยาพิษมันนั่นโรงงานมันอยู่ตรงนั้นทําลายเอาหมดนี่ก็ว่างฮะเลยถ้ามีทคงถามจะปูนที่ไหนมันกระปูง้มันได้แต่นั้นมีอะไรมาเป็นผู้บงการบังคับที่ให้เกิดเพลิดเพลินเหมือนแต่ก่อนคทํา การฆ่าให้ปรุงนี่มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้เป็นพิษความจะว่าทำอะไรเมื่อทําเป็นเจ้าขององขันทํากว่าช้าขันหลวงพ่อพระเจ้าทรงเทศนาท่งสอนสัตะวะโลกทั้งหลายนั่นแหละทรงใช้สังขารเป็นปัญญาสังขารมีญาณออกมาใช้ได้ยินการสื่อการตอบรับกันการถ า, า, ามการตอบ สัญญาความเกิดจำได้บ้านนั้นบ้านนี้นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้ความตรงก็ปรุงเ่องอัดเรื่องทำแนะนํำสักงสอนทําเป็นเป็นเจ้าของพอหยุดนง้ยมก็ยี่ยั้งยิ่งตามธรรมชาติทั้งมันไม่เป็นที่เป็นไทยเหมือนที่เด็กเป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของบังครับนี่มันผิดกันตรงอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นเราที่งกล้าพูดว่า ขันก็เป็นขันร่วนๆเนี้ยที่ไปหาในจากคมพีผมน่ากลัวไม่เจอนะขันมีกล า, ายเป็นขันร่วนไปผมก็เองก็ไม่เห็นในัมพีแต่มันเห็นในนี้จะว่างไงเน่อะไรจะเป็นพิษเป็นหมดก็เพาะพิษจะมาเผาตัวเองนี่จะเผาใครยารงยาพิษ ล, ลงพิษยาพิษ ก, ก็ถูกถูกทำลา ย, ยไปแล้ว กระจายเป็นฐานเงินล้นปรุงไปปรุงไปหานเนี่ยฐานเนี่ยหานเนี่ยมาได้เป็นปัญญาลมฝังจิตฝังใจให้เกิดความปดทรวงเกิดความทุกข์ทรมานภายในจิตใจเหมือนแต่ก่อนปรุงไปรุงไปไปหลับไปหลับไปมันก็เหมือนหี่ยับหยิบยับเทานั้นเอตัวความปรุงมันก <im> ็ไม่ทราบความหมายของมันหยิบยับหยิยเนาะสิ่ยเหล่นี้มันถึงมันมันสะละจากกันมันก็จะอยูุดไง การพิจารณาหังสำคัญมากเราอยากจะก้าวพิวจารณาให้มากพิจาาให้เข้าใจเดินองขามเดื่ขันความคิดความคุ้มตัวเองพยายางติดตามมันมันเกี่ยวข้ อ, ของกับอะไรเอา น, นั้นมาคลีออ่คราดูใหมันละเอียดล อ, ออมีครั้นตื่นไม่สําคัญสําคัญที่ความเข้าใจเข้าใจอย่างถึงใจแล้วยังไงก็ไม่ถอย ในเรื่องที่จะป่่อยไม่ต้องบอกมึงต่อยเองไม่ข้าใจจะทำนปลต่อยนับเที่ยวนับเที่นี่อยู่ไปนับมันจะทอนนาเสวนนับเที่ยวกินโดยเงามในสมเที่ยวดยสมเที่ยวตานะโดยนับเที่ยวที่เหลยอไมนไม้นับเที่ยวกับเราแต่มันคอบคุณดวงหัวใจมีจำนวนเท่าไหร่นับได้หรืทอนอย่างนนด้วยเมฆา พเตตาเหือแล้วมันก็หมดะนะเป็นความยุงะะ่งเหยิงวุ่นวายหนักหนาแต่ก่อนมามนหมดไปนี่แพาลาะเวเป็นจะะะันจกรัราตอนนั้นนี่ยอ่าอยู่พาชินพาหลับพานอนนอนพาขับพาขันแบนั้นปวด น, นี่จินดุจกินยายุ่งระดีตามนี่ทั้งเ้นมม่อะไรจนกวามันจะสลายตัวหลั จ, จากการผสมกัน แหมดความลับผิดชอบต่ว่าหายห่วงก็ไม่ไม่ไมสนิทใจจะว่าหมดความรับผิดชอบงั้นสนิทใจก็แนบความรู้สึกขงผมเองหายห่วงก็เห็นในห่วงมันนีนะเนี่ยใจก็รู้อยู่แค่ทันอย่าไม่มีห่วงอะไรมันนีมันต่างอันต่างอยู่ตา่าแต่ความลับผิดชอบมันมีแตไ่ไม่ไม่มีแบบยึดมันถือมันอุปสรรค เป็นอะไรก็ต้องจแจกขายดัดแปลไปตามเาในในยื่องเช่นเจ็บไข้เรืป่วยกวดข้อปวดศิษะหิวกรหาอยากรับอยากนอนกับพาในไป ต, ตามยื่นจางลานรับผิดชอบเมัอนกันนั้นเองหมดหมดอันนี้แล้วมันก็หมดปัญหาอยากให้นคนเดียวเลยเห็นนี่นะสิ่ง น, นี้มันมีอยู่กับตัวทแท้ๆเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่เห็นว่าพิจารณากันยังไงหิือม่ความอ่อนแอมันก็ไม่ได้เรื่องนะ นี่อดภายนอกนอ่อนแอภาย้านก็อ่อนแอเหมือนกันบอกนี่มาคิดดูลองการดำเนินนี่เราเป็นคนยากโอ้ที่นาย้อนหลังทุกวันนี้มันมันกลัวอนะ่ะโอ้โหมันทําได้บางวันนะคือมันทําไม่ได้ทุกวันนี่ทำเหมือนเมื่ก่อนมันทําไม่ได้กําลังมันก็ไม่อํานวยร่างกายคือเครื่องมือไม่อำนวย มีแล้วจิคือความมุ่งมั่นพลังของจิตคือความมุ่งมั่นมันก็มีกำลังความมุ่งมั่นเป็นเหตุให้ถูกล่าร่างกายถู่ความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่เพราะความมุ่งมั่นนั่นทำให้มีความเพียรทุกเรื่องทุกมุ่นมันไปพร้อมกันมีแล้วผูดตามฟังจิตเรามุ่งจิตเน่าโหมันเมืยู่มันก็หาย เหมจะเป็นแบบตายแตเคยเล่าหมู่บ้านฟังแล้วมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องภายในแต่เพราะงั้นเราถึงเล่าให้ฟังได้ก็เพราบุคคลการเป็วลาที่มันมาสําผัสก่อนผมบวชผมไม่นี่คิดว่าจะบวชอยู่นานๆอย่างนี้นะเนื้อบวชว่าแม่อุพพ่อน้ําตาพ่อร่วงลงให้เห็นต่อหน้าต่อตาแต่ผมยังไม่ลืมที่เขา ผู้เท่าหนึ่งที่ดูล่ามือเงันหรือผมว่าเราเคได้ฟังเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะ ผ, ผูถิงผู้่เถิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันเยแต่อั น, นี้ขยันมากนะเขาเรียกว่าหลานหลวงกำแพงขยันมากเขาก็เรียกเราว่าหลานพ่อพแพงพ่อแพงเป็นแม่ผมพ่ อ, พ, พ, อพ่อของแม่มีขยันไม่มีใครสู้ในบ้านนี่หว่า ง, งั้นคุณเนี่ยมันหลานหลวงกำแพงกับหลานหลวพ่อแพงมันได้ทำงานแล้วไม่มีใครสู้เลย เราก็สนิทกันในวันนั้นไปมันสนิีกันแล้วก็ไปเที่ยวบ้านคุยกันหนึ่งกินก็ไปบ้านเราเราก็มาบ้านมันเกี่ยวถึงนี่ันิทเปนขนาดนั้นถ่าไปตั้มียเราก็กินนวดเลยเราก็เหมือนกันมาบ้านจะมีอะไรมีกินเลยหรือแต่นเดียวกันก็มีกันขนาดนั้นพ่อแม่มันเคยสนใจมาเคยจะเล่าให้ฟังว่าเอาไปกินข้าบ้านพูดกินข้าวบ้นพูดเอยเหมือนไม่กิน แล้วเขาดึเข้าบ้านเราเหมือนกันเราเมาันเข้าบ้านเาขาเหมือนกันแล้ววันนึ่อิซาคนเนี่ยออมเทอร์ปูวาเนี่ยแต่คนคนี้เป็นคนถุกผมนะคนดูไม่ค่อยพูดพูดอย่างนี้ก็จะพูดสุงจะบวชอะไอย่งเงี้ยผมนี่นะจะบวชเป็นแบบไหนเนี่ยพ่อขอดูได้มือหน่อยน่ะเพราะมันพูดมานั่งฟังนี่นี่เป็นจะบวชจะบวชมันก็ได้บวชจริงอยู่มั้งพ่อดูได้มือหน่อยนะเดี ก็ไม่พูดนะจะนั่งอยู่นั่นนะนีสัยจะคนอายุประมาณตั้ง50กระปกแล้วนัเนี๋ยวก็ดูผมยังไม่ลืมนะจ้างก็ไมาได้บวชว่างนี่เลยพูดยันเลยนะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยูดคนเส้นขิงมีจ้างเขามาได้บวชมีคู่มันติดข้างนี้ติดนี่เหนี่ยมมันจะเอาเงิเนเราลงหนักว่างั่นนะ แต่เราก็ยิ่งมั่นแต่พรพราเราไม่ไม่ต้องการจะเอาจะบวชเราต้องการจะเอามีอเพราะ้างั้นดูเสร็จแล้วถ้างั้นดูวนวายเสร็จเขาไอกว่าผมด้วยคอยภาษาที่มีคอยเจ้าคอยเขากับผมด้วยคอยนานๆมันดูเออคนนี้ให้แล้ววางนี่ผมมาจะบูผมมาจะเอามืออีกแล้วจ้างก็ไม่ได้เนี่ยคนนี้เอาอยู่แล้วยันนะคนนี้ถึงถูกนี่แหละนี่แ่ละโดนบวชแน่ๆว่างนี่เลยนะ คุณถึงได้บวชคือนั้นจ้างก็ไม่ได้บวชหรอแล้วก็ไม่ได้ที่จะบวชถึงเวจะเป็นไม่ยากนะนั่งรับทานร่วมวงกันอยู่นีพ่อกับลูกหลายหลายคนแม่ก็นั่งสอน้องพ่อก็นั่งของนี่ลูกเต็มมีนี่เวลาจะเป็นนัมีเหตุนี่ไม่ยากนะผมการบวชก็ง่ายนิดเดียวเวลาจะบวชก็สมอย่างที่ว่าจะเอาเมียทีไรเม่งก็ผิดก็พลาดก็ทุบตี ท, ท, ทั้งๆทีพ่พ่อพ่อผู้หญิงชอบหมดคนนั้นเนี่ยเราพูดสนุกสนุกกันแต่วันนี้แล้ไปที่ไหนเราโอ้โหพอเราขึ้นไปบ้านไหนก่อนคมทํา ง, งานปันท้าปัน่นแล้วกันนี่ทางภาคอีสานีทุกวันนี้มันมีเขาไปเที่ยวกันแต่เขาว่าไปเรียสาวเขว่าสานองภาษาตรงนี้ถ้าเราไปขึ้นบ้านไหนแล้วโอ้โเสียงลั่นไปเลยวันหลังเอี่ยคือพ่อแม่ผู้ษาแล้วมันชอบมากแต่ผู้ษาก็เหมือนชอบแหละ เขาจะได้เราเขาเห็นเราขายันแล้ลูกกันอยู่แล้วไมนใช่เขกินข้าวด้วยกันเงียบๆ ม, มือไม่ได้พูดหรือระยงนั้นนะดูๆพ่อพูดขึ้นมานถอะพูก็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายถ้าถู้ก็ไม่นั่นแหละจจะบักดูวนยาวางั่นหะ กูก็ไม่เคยยบย่องลูกกูวันี้กูปล่อยให้มันทํางานอะไรให้กูแล้วกูเป็นที่นอนใจเลยกูไม่เคยได้หนักใจกับการบ้านการงานอะไรทั้งนั้นครับเหมือดออลงไม่ได้ทำมันเก่งกวูกด้วยวังเนี่ยซึ่งพ่อไม่เคยไม่เคยยบย่องลูกอะไรทำมาไหนมันลงได้ทําอะไรแล้วเก่งกวูกด้วยซ้าไปกูสู้ไม่ได้ไอ้นี่แตนี้สําคัญที่ว่า กูพูดมันบอกให้มันบวชกูส mm ัก hmm. กี่ลมันนิ่งมันเฉอเหมือนมันมีปากมียางมีนะปากดังเสมอเฉยนะกูตางปนี้กูคงจะจมลงในโกมันมีใครจะสุดากขึ้นจากนโลกอีกจมกูหวังซึ่งคนเดียวตนนี้อนนั้นกูไม่หวังซึ่งอันนี้กูมันอาศัยไม่ได้ทุกอย่างนี่เรการงานทุกสิ่งทุกอย่างกเบาใจทั้งหมด ผมไม่เคยได้ต้องตืมันเรื่องการเรื่องเงินจะให้บวชเนี่ยผมพูดมาไม่รู้กี่ครั้งมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดอะไรเลยมันเหมือนไม่มีปากมีดังมีอะตไปนี่ผงจมแล้วลวไม่มีใครจะถือเล่าขึ้นแล้วเพราะว่านั้นน้าตาร่วงบอกบอกเนบอนไนี่มัมองอยู่นี่ไ อ, อแม่มองไมาเห็นพ่อเอาอีกแล้วล่วงบวชล่วงลุกเลยมากินใะข้างน้ำลงหนีเลย เอแล้วหเอาคิดเลยนะข้าไม่อินนั้นน่ากันมาเินลงบันไดหนีเลยคิดสามวันนะถึงห่ันกลางเหนยมาคบมาชวนพอนี้น้ำตาล่วงยกลูกไปเลยว่ายกคุ่มแบบคุ่มลงกูนยกยอก็ยกยอไปคุ่มเลย่กูเวลากูจะให้วนงานเนี่ยแบบคุ่มตาม อ, าาอ็พอถึงหมดเวลาต้อ ง, งอมาไกลอึงจะมานะนะต้องคุ้มต้องตุ้ม้องุ้มอ่ไคิดละเราน่ะก็ไม่เคยต้องการร่วม มีพ่อนนั่งรับร่องเพราเราลดุกอามาจริงนะไม่สบายหัวใจเลยที่ต้องสาร่อดจริงเลยค่อมแม่แต่เรื่อ ง, ง, ง, ง, งลงมาเ ข, ข, ขาทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็มีลูกมีเจ้าบู๊บลูกเจ้าของเขาต้องบวดร่างแม้แต่เขาติดคู่สุดการางเาก็งมีลัทออกมีไปบวชไม้ในถ้่ติดคู่สุดการางคอนอื่นๆเขาไม่บวดร่างเฉพาะสุดมาสมไปบางองค์ท่านบวชจนเป็นสมภารเจ้าวัาานะาาวด สนปลายกระพาอเหลืองท่านกหมืดเป็นอะไรทำไมเร า, าบวชท่พ่อแม่ที่เราย้อย น, น, น, น้อยไม่ได้ยิอย่างหรือเอาเรนมาทิ้งทิ้สุดท้ายก็ลงลเราเป็นคนทั้งคนเป็นลูกชายคนหนึ่งเป็นคนค็หนึ่งท่าน อ, อื่นก็าบวชได้เราบวชไม่ได้เป็นไปไม่ได้บวชไปนี่ยังไง เพรหลือมันจะสุดจนกระทั่งตายทำไมตายดีกว่าแม่เรื่องงานก็ยากเป็นขนาดที่ทเราถึงมีร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่บวชทั้งนี้มันที่ลึเเกเลือเพิ่มเราเป็นลูกของคนตาแก่นี่เป็นสมาธิผมก็รู้ว่านั่นสามวันที่ตัดสินใจได้แม่เคยมาร่วมรักทานกับพ่อแม่เลยละขั้นต่อบัดนั้นแล้วกลัวจะโดนปัญหาอีกพอลงใจได้ แ, แล้วผมมากินผ้าวแล้วนีุดในโรงนั่นแหละเอา้าเรื่องจะบวชระบวชให้เรื่องนี้เลยนะ แต่ใครจะไปห้ามไม่ได้นะว่าเป็บวกว่าบวชแล้วให้เท่านั้นตีเท่านี้เดือนนี้จะสึกนั่นี้ไม่เอาบวชแล้วให้ถึงมาจากสึงมา่อไรจะสึกนักหนาแม่ขนาดกวลูกพี่เอาเอาเธอลูกบวชไปบวชให้เห็นต่อหน้าต่อตาแม่แล้วนั้น่ะลูกออกมาจากขณะที่บวชนั้นอาจจะมาสึกต่อหน้าคนมากๆแม่ไม่ว่าวางนี้นั่ะตลาดเนี่ยไรระลงคนไทยเนี่ยไอ้บวชไปบวชแล้วออกมา จากอุปชาอุปชาอะกรยังไม่หนีคำอ่อยใจก็ยังไม่หนีก็ะ่งฆ์ก็ยังไม่หนีกันคนกันแน่นหนึงนั่นออกมาจะมาสึกต่อหน้าเราตาคนนี้มันไม่ขายหน้านี่โรค ก, กับเทือนนั่นเหนือมนไม่บวดไม่ดีกว่าหรือบวดแล้วมาทํามันดีกว่าปวดแล้วมาทําอย่างนั้นอย่างเงี้ย แ, แม่ก็ต้องก้าว่ามันทําไม่ลงเพราะรู้อยู่แล้ววันนี้แตงเราเป็นยังไงเอาะทีสองเราไม่เคยเป็นคนเสียหายนี่การเป็นเมื่อผู้ชวนไปไหนไปไหนไหมาเราไม่เคยเสียหายนักพูดพูดได้จริงตามพูดตัว ไม่เคยถ้าเละะหลือถลายพขาแม่ว่างั้นกับอ้าบวชบวชแล้วพี่เขาบวชเข้าไปเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบก็ไม่มีการตําหนิสื่อเทียมจะฟองได้ด้วยหลักคํามไม่ยไงข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจงกระทั่งวันสึดแต่กาว่าอย่างน้ำสองปีคือว่าเนาะบวชบวชแล้วทําหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ก็คือเดียนหนงสืออะไรนะก็แล้วแต่ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ อ่านหนังสือมันเรื่องประวัติเร่องพระพุทธเจ้าประวัติพระสาวงอโอ้โหอ่านธรามตรงไหนมันสรุดเข้าสะุ่เข้าทนทีนะนี่อ่านมนจะมีนิ้วหายอะไรเพราะชอบพูดกินยาเฮ้ยมารนี้มาตรงนี้อานประวัติพระพุทธเจ้าเกิดความโปรดของเมตทั้งสงครามพระพุทเจ้าน้ตาร่วงทั้อธิารบระธจาน้ตาร่วงิจารย์วามตัดสล่พธเจาน้ำตาร่วงอ่านประวัติพระสาวงอมาจากคนต่างถึงสำเด็จข้าพนิพานเฉยที่นีโอ้น้าตาร่วงเหมือนกัน นั่นเราที่มีนั่นเป็นเหตุเราไม่นอนจิตใจมันหมุนเขาทั้งคำนะเรื่อยๆเรืทั้งโลกไปจางไปจางไปก็หมุนไปเรื่อยอ๋อนี่เราจะออกธรรมฐานนีะเราอยากเป็นพระราษฎรองเมืองว่ะแต่ยังไงต้องเรียนมาก่อนเรียนให้เข้าใจพวกเข้าใจจะออกมาจะออกออกแน่ๆพูดต่อปากออกปากพูดเลยแล้วเรียนจบท่านนั้นแล้วจะออกปฏิบัตินั่นละเรื่องนากเขาอยากเป็นอาลันี่ เขาอยากสุดเป็นกําลังนะเนี่ยเป็นยังมามีปัญหาตนอนที่ว่าแลา้วมะขุนพานยังมีอยู่หรือไม่นานเนี่ยนะทให้ลังเลใจลอยูมาพอแต่ครูอาจารย์องค์ใดสิจำคือธรรมชี้แจงมะขุนทานว่ายังมีอยู่และประจักษ์ให้เราเห็นไปอย่างชัดเจนแล้วเราจะมอบกายถวรรตัวถวรรค์ชิตกับอาจารย์นั้นเลยเพอดีไปเจอท่านอาจารย์มั่นที่เข้าไปพูดพางพังเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมว่านุนพานตาบอดู่เลยไม่ดูเลย เห็นอย่างนั้นเหรอโผล่ก็ลงนะสิเข้าไปถึงใจมากแล้วที่นี้จริงไหมที่นี่น่าเอาไปส่องกันนะเรื่องสงสัยมากคนนี้ผ่านที่นี้เป็นอันว่าหมดปัญหาแล้วว่ามีทางสงสัยแล้วนี่เราจะจริงไหมที่นี่จริงสิว่นั่นแหละเรื่องมันคือตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยๆความทุกข์ความยากความลำบากแสนสาหัคนได้นั้นแหละคนได้เรื่อย มันไม่ขอเพราะคำมุ่งมั่นมันมีกำลังมากเออมันมันจะมุ่งอะไรเลยที่แรกกับที่จะไปสวรรค์ที่แรกที่จะไปสุน ท, ทโลกบ้างพออานประวัติสาวกเข้ามากเขาเนาะมันไม่าะไปที่จะไปนิพพานขีดพลาดมันก็จะไปแต่ น, นิพพานอย่างเดียวอลากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเชื่อปนเลยนี่จิมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงท่องเดียวเพราะฉะนั้นความเชียอมันทนี้ เด็ดนี่มันยังไงก็ตามผมนิยามลําบากลบํบงทุกขาปฏิปท า, ถ, าถ้าสมมุติว่าท่านพาพิญญารู้ได้รู้รู้ได้ช้าถ้า ม, มื่อรู้ได้ก็ช้าเป็นที่งานที่เล่นหลังคิดย้อนหลังโอ้โหคือมันกลวงกันนะเดี็กเนี่ย คิดด้านหลังเดีสองโอโหเนีย่ยมันกระทำได้เดีวนั้นก็ทําทได้อย่างนะั้นนะคือทุกวันนี้มันทําไม่ได้ร่างกายสุขภาพอํากําลังวังชาทางร่างกายก็ไม่อามํานวยแต่การที่สองก็คือความมุ่งมั่นก็ไม่เห็นมีมันไม่มีแต่ก่อนความมุ่งมั่นมันเต็มหัวใจแต่นี้ความมุ่งมั่นไม่มีพูดได้เต็มปากว่าวมไม่มีเลยเนี่ยมุ่งมั่นอะไรมันก็ไม่มีแล้วจะไปทำเงินแต่ก่อนได้อย่างไงเมื่อ กำลังใจมันก็ไม่มีจ ะ, งงะมาโง่ก็ยอมรับมาโง่ความมุ่งมั่นเอียร่อยจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีเอะอยากไปนิพพานก็ดีมันไม่มีมันไปหมดกําลังมันแล้วมันก็อยู่เฉยๆเราบอกคนหมดกําลังใช่ว่าอยู่เฉยๆจะไปสวรรค์ก็แล้วหรือจะไปนิพพานก็แล้วเนยอยากเป็นพระอรหันต์ก็แล้วอยากอะไรๆมันก็ไม่เห็นอยากมันอยู่นีเฉยๆแต่เมื่อสรุปความแล้วค่ามไม่อยากมัน แสนตบานว่ามันก็พอเอาแค่นี้ความอยากคือความหิวความบกพร่องมันถึงอยากถ้ามันอื่นแล้วมันจะอยากอะไรเอาคงนี้ก็ดีกว่าว่ามันเป็นที่เห็นหัวใจของเลยนะคำพูดเหล่านี้ถ้าว่าเป็นคําโกหกกล่าวลวงหมู่ื่อนก็ให้ปฏิบัติเมื่อจิตมันได้เข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรแล้วมันจะยอมตัวงมันเองอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องบอกพระพุทธเจ้าพอนีพผานไปได้สองพัน ตอปีหีือแสนสี่ล้านสี่ก็ตามเถอะจะไม่มีความหมายในเรื่องการสถานทพ่อใดเลยแต่จะมาความหมายจะมาเต็มในหัวใจรงเงี้ยนีวงพ่อพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเเมื่อเราไม่สงสัยธรรมาชาติแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยังไงนั่นหมือเมื่อเราเียนหวงพ่อพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเขาจะพูดทางสมมติตลอดเวลาเขาตลอดเวลาวมันจริงมั้ย นั่นถึงกัว่าอดีตอนาคตมีความหมายอะไร่ะตายตที่นั่นเกิดที่นี่มีความหมายอะไรไม่เห็นมีความหมายใจมันหมดความหมายในสิ่งนั้นแล้วเพราะเป็นสมมติต้นรูนสิ่งนั้นทาให้มันพ้นจากสิ่งนั้นเสอยหรือว่ามาเพึ่งตัวเองนี่ก็เหมือนมีอยากเพิ่มตัวเองหวังเพิ่มใครมันก็ไม่มีไม่ต้องพูดหรอกอย่างอื่นเอาพ่งพิ่มใครเราหนีแม้สุด่อจำาหลังพิ่งตัวเองนี่ก็ไม่เห็นหวัง ยังมีเห็นเด่นเล่นขุดธรรมะขอระเจ้ามาเด่นที่ไหนนาว่างั้นเลยเด่นที่หัวใจหรอกธรรมะมาอยู่ที่ไหนธรรมะเท่าใจหัวใจเท่านั้นใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมทุกประเภทนี่ยแ่ว่าธรรมสนอ่ส่วนกลางส่วนละเอียดใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสอละเอียดสุดก็ตามมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราเป็นผู้รับรองเป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆ ไม่มีอันใดก็ว่ามีขันท่าเพียงขันท่าเท่านั้นแหละนี่จะเป็นเครื่องมือสําหรับท้ายต้องให้จริงจังดิจะพักิดห่วงหน้าห่วงหลังอะไรจะดีพิเศษที่โสในโลกอันนี้มีแ ต, โกกต่โลกเกิดตายโลกเกิดตายสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันคืออะไรความทุกข์ความทนามายความอบากทาั้งด้านร่างกายและจิตใจนี่แยกไม่ออกกับเรื่องความเกิดตายนั้นไปด้วยกัน จนถึงวันตายตายแล้วมันก็ยังติดต่อไปอีกเพราะใจไม่ตายทุกนี้วิเดียร์มีมากน้อยมันก็จะติดตามหัวใจจะเกิดในภบนั้นนี้แบบกองทุนอีกแล้อย่างเดิมนั่นแหละความลงท่า น, นมันขาดสะบั้นลงเสือในวงปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีอะไรสืบต่อเลยอดีตขาดขาดอนาคตแต่ตาขาดปัจจุบันก็รู้เท่ามายึดอะไรทั้งนั้นเนี่ สัเพรมนานังอภิญญาตยะทำท hmm. ั้งวงไม่ควรถือมั่นนี่เป็นวาสุดท้ายของการปฏิบัติเาบอกทำทั้งพวงไม่ควรถือมั่นทั้งพวงหมดทำทั้งวงหมายถึงว่าทำในท่านสมมติทั้งมวลไม่ควรถือมั่นนี่ตัดขาดสัเพธรมานตาพุ้งเลยนี่ทำยอดแห่งทำแท้ก็คือสัเพธรมานตาทำทั้งวงเปตั้งสิ้นคือสมมติทั้งหมด่อยเพิ่มหมดแล้วอันนั้นเป็นอะไร ส้งพูดอยากมีสมุนต์มาขึ้นมาแย้งมันก็มีทางที่จะพูดเช่นอย่างนีพานเป็นอนัตตาเราไม่ทราบเป็นไงหัวใจของผมมันก้ากล้าพ้านเลย่างเลยท่านตะคุณท่านกกว่าพระพุเจ้ามีนี้พานเป็นอ า, ศ า, ศาัตาพระพุทธพระพันปิฎกแหละวะหัวใจ ม, มั น, นง <c oughs> นงนะมันพูดแบบนี้มันเห็นอย่างนี้เนี่ยวางเลยนะท่านตะคุณน่าะรัมาน ราชาทวารคิดมามันเห็นอย่างนี้เลยล่ะพัะ น, นิพพานเป็นอนัตตาและนิพพานก็เป็นไตรลักษณ์หนักการพิรนาอ น, นิยการทุกข์งอนัตตาเพื่อพระนิพพานอนี้การทุกข์งอนัตตาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานและพระนิพพานีังกลับมามาเป็นอนาาัตตาเองพระนิพพานก็เห็นอัศาจรรย์นิพพานคือไลักันอื่นนั่นเอง ไม่ว่าอัตตาออนัตตาซึ่งเป็นสมมูิด้วยกันทั้งนั้นจิตจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆแล้วจะไม่เข้าไปยึดในเงื่อนทั้งสองทั้งอัตตาทั้งอนัตตาซึ่งเป็นธรรมสมมูยกันเช่นอยบุญและบาปก็ยังมีอยู่ได้ในหนังสือเลยคุณญาปาปับเป็นญาติบุคคลผู้มีบุญและบาปพันธะเสียแล้วหนักตัณห์จิตบุญบาปเป็นสมมูิ เป็นบันไดทั้งแบหนูนขึ้นไปหนงนขึ้นงเป็นฝ่ายดีบาบเป็นเครื่องกดสวงบุญเป็นเครื่องหนุนขึ้ไปเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับคนมันก็หมดปัญหากันไป้างสายทางเดินเข้ามาในวัดเรานี้เป็นต้นนะมันก็หมดปัญหาไปเมื่อถึงที่แล้วตาหน้าตาก็เหมือนกันขึ่นนั้นเมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยด้วยกันทั้งสองเหมือนกับว่าคุณญาตาปับพิชิตเองละ่อเองรู้ประจันในใจนั่น ไม่เป็นอะไรนี่เราพิจารณาอั น, นิี้จังเราชัดๆัเห็นได้ชัดชดเรื่องอั น, นจังคือยังไงยงไงพิจารณาทุกขังก็ชัดชัดทุกขงกังยัางนานพิจารณาอนัตตาเปยังไงยไงเห็นเป็นชัดชัดเลยนี้พอพอมันปล่อยอันนี้หมดแล้วมาอันนี้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างทั้งสามนี่เป็นนนั่นมันเห็นเป็จากเปนจิตมันเป็นสยู่ที่ค้างอย่งไรอยู่พ <INAUDIBLE? S 2> อมันพ้นจากสามสภาพสามอย่างออกมาแล้วอันนี้มันกลับคงท่าก่านั่นแล้ว แล้ังจะมาจับยัดเข้าไปในอนัตาอยู่เหรอือออกมากผูออกตารางไปแล้วมันจะจับยัดไปในตารางอยู่มันึงทางนั้นจะได้ว่าคนพ้ <S <S 1> <S 1> นโทษได้ยังไงจริงงั้นเิใถ้ามันรู้ในใจสิพระเจ้าสมัจะให้เชื่ออย่าเชื่อตามตำหลักตำร า, ลาแลือเชื่อพะไรในกาลามาสุขเชื่อแล้วบุคคลที่คนเชื่อได้ท่านหมาที่ทำขั้นนี้อ่ะขั้นผู้ปฏิบททัติธรรมให้เห็นจริงตาม ลำดับโดยตัวอื่นอย่างพระสารบุตรพูดก <W> ับพระทั้งหลายบอกพระสารีบุตรอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างพระสารบุตรอ๋อพระไม่ใช่นี่พระสงฆ์ทั้งหลายต่อยก็โทษพระสารีบุตรพราะพระสารบุตรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมลงแม่พระเ้าพรุทธเจ้าไม่ยอมลงพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่างเราเชื่อเอาเองว่า่พพ้าทั้งายทเป็น ตรงเรียกลาดสามพเข้ายุวุตเข้ามาพอเป็นจิยาช่วยจะเทศสอนพวกตาบอด น, นั่นแหะไหพระชายุวได้ถ้ามาฟ้องเรานี่แหะพวกหัวหนวกตาบอดเราฟ้วงเราฟุตรักษาเราจะว่างนั้นพวกหนวกตาวอดมันครานเข้ามานี่มันตำไม้ตำตอห ม, มาฟ้องเราเ <laughs> ชื่อจะว่างนั่นว่าเธอไม่เชื่อเรามันเชื่อเธอองค์ยือนใช่ไหมใช่พระเจ้าข่าแน่เป็นเพราะอะไรจึงไม่เชื่อเรา เขาพูดถึงเรื่องฐานที่ดโกนนี่พพพระองค์ประธานไว้แล้วข้าวพงศ์พูดปฏิบัตินี่รู้จริงจริงตามนี้โดยลำดันำนบๆเริ่มกระทั่งดึงว่าเชื่อตัวเองได้เป็นชวนยอมรับความจริงอันนี้ฐานที่พระเจ้าทรงสอนด้วยหัวใจตัวเองถูกต้องแล้วสาวนดุจเราต้องการให้เป็นตัวของตัวนั่นแหละไม่ให้มาเกาะเดี่ยวเราไม่มายึดเราะผมเห ม, มือนนั่ทะนั่งพระเหงนันกัน พระนันทาที่พระพุทธเจ้าหาอุบายเอาหนีจากยักน์ทีเมียแต่งานนั่ะพระเจ้าเป็นผู้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอพระนันทานั้นได้พ้นจากเงื่อนจำกิริคุมขังตั้งหลายอันเป็นตัวสมมุติเธอประการทุอ้อย่งแล้วนี่เราก็ปดครื้องเธอแล้วที่นี่น่ะเราไม่ได้เป็นภาณะรับรองเธอเหมือนแต่ก่อนแบกถามเธอนี้แต่ก่อนแล้วก็คํานองเดียวกันนั่นแหละ เพื่อสอนให้เป็นตัวของตัวมีภาษาได้บทท่านเป็นตัวของตัวท่านเต็มส่วนแล้วมีทราบทานรงรับสั่งอ่งนั้นสอนผ่านางอานั้นพวกตาบอดหูหูหัวกทั้งตาบอดทั้งหูหัวด้วยพวกนี้ทั้งว่าเสียเสียแกงเสือขาคันมาก็ะล้มลุกปุกคันด้วยพวกตาแตกวันเดียวกว่างนะรัเป็นภาษาระหมห่าว่าพวกหตาดีก็ไหวเปียเสียอีกตา พวกตาบอนว่าจะวเองว่าแม่นี่และคม อ, อนี่นี่อาการลามาสูท่านมุ่งให้ห น, นุนตามความจริงเป็มเอย่างอนิจรังรตุขังนัตตาเนี่ยหาวี่นาไปสิมันไมนที่นะอ น, นิจจังุขังนัตตาไม่เป็นภูมิแล้วมันจะถอนตัวออกมาไม่ได้พอลงสุดท้ายก็เป็นธรรมานาตาเป็นภูมิแล้วมันก็ถอยวางไต ร, รักทณ์ธถีพึ่งออกมาเลย นั่งจะมาจับยักเข้าไปใจรักเหรือใจรักเหนือนี่มันเห็นะท่านอยู่ในหัวใจน่นเองนะว่าไงถอนผลอมาแล้วเน่ยจากใจรักเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมือนเราเราก้าวขาออกมาจากบันไดามาสู่ที่เช่นสนาเรานั่งก็จับล่างไปอยู่บันไดเหเนือนีท่านปัญญาตรงไหนที่พอจับ พ, พูดแล้วก็บรรลนได้ใช่ไหม